แต่ผู้ที่ ا ระทละเห็นสิ่งนั้นพวกนั้นก็เป็นคนที่ไม่รู้ ข้า ي ن ه م على صلوات ه م يحافظون ข و ل ئ ك هم ا ل و ا ر ล و ن ริส ا ل ข م ا ل ั่นคือมู ي วาริสุนัสมัลลอฮุราะห์มานุรรห์ไ ه ม์อินนัลฮะมดุลลอ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا ما ي ه د ِ الله فلا مضلله وما يضلل فلا هادي له و ل ل ه له. ش ه د َ ا ِ ل َ ه َ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ي ُ ح ي, ي ِ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا วَ ن ิกะอَมไซนะวับَกะนัพยาวับิกะนามุตุว่าอ ر ลัยกันนุสูร์อาอุบิกะ ل ิมัติลลาฮิตาม ا ت ِ م ِ نش ر ِّ مَا خلقب ِ سم ิลลาฮิลลา ا ิลลา յ าดรุมะ أسم ิหิชัยุมฟิล ا าร์ดีวลาฟิสเมาโหวะสัมย์ ا ัลกิ ه ม์َดีดุบิลลาฮิรับบ ل วบ م ลอิสลามดีน่าวบิมุฮัมมัดอิร์ส ل ละ ا ل l a h al u m m a inni a'udhu bika min a l k a s l ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم ع ف ن ي في بدني و ع ف ن ي في سمي و ع ف ن ي في بصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมด้วมาศุ์ ที่รักทังหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์เราชุกรขอบคุณอัลลอฮุ سبحانه และกที่อัลลอ์ให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมานะครับเราต้องขอบคุณอัลลอ์ให้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาีอัจยานะบาดามอมาตานะไวไลฮินอูชู เราต้องโยงกับอัลลอ์ตลอดเวลานะ <c oughs> ออกจากบ้านก็อ่านดวอโยงกับอัลลอฮ์ขึ้นรถจะมามัสยิดก็อ่านดอาเข้ามัสยิดก็อ่านดอาเข้ามัสยิดต้องมีมารยาทอีกเข้าด้วยเท้าขวาเพราะเาอ่านดวาว่าอัลลอฮุมะฟตัฮลีอบบาบารอฮ์มาติกนะครับขอบคุณอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และุะธาลาที่ อัลลอฮ์ให้เรามีโอกาสนะได้อ่านอัลกุรอานได้ทบทวน Al uran, อัลกุรอานอาทิตย์ละ1นึ่งหงชั่วโ ง, งนะครับวันนี้เรามาถึงสุร่าอัลมุบมินูนสุร่าที่ยี่สิก็มีอีกไม่กี่วันเนี่ยจะครบ22ปียีย่สิบครบ22แล้วเข้า23 ยี่สิบเอ็วันนะครับวันที่ไท่าไรปรมาอีกสักยี่สิวันไม่ถึงส <c oughs> ิบแปดสุเก้าวันก็ครบยีิบสองปีอัลฮัมดุลิลลาพี่น้องเราได้รับความรู้จากอัลกุรอานเนี่ยนะครับพอเราอาธิบายไม่ไม่เยอะหรอกเล็กๆ็กน้อยน้อยนะครับขอบคุณอัลลอ์สุบฮา น, นลาลลอเราจบสูโรอัลฮัจสุรอัลฮัจเนอายะสุดท้ายเนี่ยอัลลอ์อกวามียายาอยู่หลายประเด็นด้วยกัน จะไม่ขอซ้ํานะจะไม่ขอซ้ําสรุปทินีก็คือว่าคนในโลกนี้นะครับที่ผ่านๆมาทั้งบดนั้นอ่ะอัลลอฮ์ได้ตั้งชื่อพวกเขาว่าเป็นมุสลิมนะครับไม่ใชุ่่ยุคเราอย่างเดียวที่เป็นมุสลิมนะก่อนหน้านบีก่อนหน้านบีม uh ุ hammad สุลต่ามก็เรียกว่ามุสลิม ayah ไหนลักษณะที่ไหนหัวสม m าคุมูลมุสลิมีมิ่งกอบลูว่ามิ่งฮาด a นะครับ u w a s a m m a ุม m u l m u s l i m i ั min q a ก l u wa ว่าฟีฮ a ni นี่ h ักษณะอยู่ตรงนี้อัลล c ฮ์ได้เรียกชื่อท่านท m u s หลายว่าเป็นมุสลิมมิ่อนบม hammad ก่อนอัลกุรอานและในคำพิจารณาเล่มนี้ก็เหมือนกัน นะครับฉะนั้นวันนี้คนที่ยึดอัลลอฮ์ยึดรอซูลคนนั้นเป็นมุสลิม น, นะครับขอบคุณอัลลอฮ์ سبحان ุราเรามาสุรอัลมุมินูนอัสรอมุมินูนเนี่ยแปลว่าอะไรครับมุมินูนเนี่ยแปลว่าบรรดาผู้ศรัทธาเป็นคำผู้หูพ์ถ้าคนเดียวเรียกว่ามุมินถ้าหลายๆคนที่นั่งอยู่ทีมัสยิดนี้เาเรียกว่า มุมินูนนะครับบรรดาผู้ที่ศรัทธาคำว่าศรัทธาเนี่ยต้องศรัทธาในหลักกี่ประการต้องหประการ น, นะครับศรัทธาต้องหลักหประการหนึ่งศรัทธาต่ออัลลอฮ์สองศรัทธาต่อมัลลิกะสามศรัทธาต่ออัลกุรอานคัมภีร์ทั้งหลายที่มาจากชั้นฟ้าทั้งบทสีคัมภีร์ศรัทธาต่อบรรดารอซูลทั้งหลายของอัลลอฮ์ ที่มีชื่อ25ท่านที่ไม่มีชื่ออีกเป็นแสนศรัทธาต่อวันสิ้นโลกแล้วก็ศรัทธาต่อกฎกรดกรดัดของอัลลอฮ์6ข้อทีนี้อีมาน6ข้อนี่พี่น้องต้องเก็บไว้รักษาเอาไว้อย่าให้มันหายอย่าให้มันหลุด3ข้อเอาไว้ในใจเนี่ยอุลมามะเขาแนะนํานะ3ข้อเก็บไว้ในใจต้องนึกตลอดศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันอาคิรา ศรัทธาต่อกฎแห่งสภาวะกรดด่างดักเนี่ยเอาไว้ในใจเลยนึกตลอดเวลาและอีสามข้อเนี่ยวางไว้ข้างหน้าศรัทธาต่อรซูลศรัทธาต่อมาลาอิกาศรัทธาต่อัมพีเอาวางไว้ข้างหน้าสามข้อเอาไว้ข้างในสามข้ อ, อไว้ข้างนอกมันก็นึกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่นะเป็นกรดด่างดักทั้งหมดเนี่ยออกนี่ก็พิ้ง ก, น ก, ก, ก, ก, นกนันนี่กรดด่างดักเหมือนกันวันเนี้ วันที่เท่าไรหลังนามาซูเบอ์มีกี่คนมานั่งฟังต็มเสกอัลลอฮ์กำหนดไว้ก่อเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญทุกเสียงทุกอย่างนั้นถูกอัลลอฮ์กำหนดไว้หมดแล้วแล้วก็เป็นไปตามที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ต้องนึกตลอดเวลานะครับใครจะมีเงินมีทองมากมายขนาดไหนนี่อัลลอฮ์กาหนดแต่หมดแล้ววันนี้ไม่มีตั้งส บ, บาทอยู่ในกระเป๋านี่อัลลอฮ์กำหนดไปหมดแล้วฉะนั้น ต้องอีงานต้องศรัทธาว่ากฎกอกอกอดาหรือว่ากฎแห่งสภาวะนะครับสุรอมุมินูนี่มีทั้งหมดหนึ่งรอสิบอายะประธานที่ไหนรู้ไหมประธานที่นครมักกะไปต้องจำไม่ดีนะสุระอัมุมินูนี่ถูกประธานที่นครมักกะนะครับนบียังไม่ได้อพยพไปอยู่ที่นครมดีนะคุรานเนี่ยถูกประธานลงมา ใครเป็นคนเรียงคุณอ่านสุราฟาติฮะมาก่อนต่อมาสุราบากเราะแล้วก็ค่อยมาถึงสุรใครเป็นคนเรียงสุรนี้ใครเรียงพป็ น, น้องนบีมุฮัมมัดเป็นผู้เรียงเรียงเองหรือไม่ใช่ได้รับวาฮีมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดฉะนั้นการเนี่ยเรียงกุณอ่านเรียงสุรเรียงอายะเนี่ยอัลลอฮ์ให้นบมีมาจัดทำ ทั้งๆ ท, ที่สุรร้องแรกอายาแรกที่ถูกประทานก็คืออิกเราะห์ใช่หรือไม่ใช่ อ, อิกเราะห์ที่ภูเขาใช่ไหมน บ, บีไปรับวะฮีความจริงมันต้อเอาอิกเราะห์มาวางก่อนใช่ไหมแล้วก็ฟาติฮะที่หลังรงก็ตามแต่อันนี้ไม่ใช่อัลลอฮ์สั่งให้น บ, บีเรียงเลยสุรร้องฟาติฮะมาก่อนต่อมาสุรร้องบาการอต่อมาเป็นเรื่อยๆ เ, เนี่ยกําหนดโดยอัลลอฮ์สุบฮันละทั้งหมดนะครับ อัลฮัมดุลิลลวันนี้เรามาถึงสุโรอัลมุมินูนนะครับอายาแรกความจริงอ่านไปสิบอายเพื่อจะให้เ่เราจะอ่านกูอ่านกันเยอะๆแต่อธิบายน่ส่อายาเท่านั้นแหละให้เราได้อ่านนะอ่านกูอ่านสิบอายดีทั้งหมดเลยอัลฮัมดุลิลลแต่อธิบายจริงแค่สอายหมดเวลาแล้วนะครับกอเดออัลลฮัลมุมินูน บิสมิลลาฮิ рраḥмān рраḥīm ัดั้อัฟลัพัลมูอัมินุนแปลบิสมิลลาก่อนครับบิสมิลลานี่แปลว่าฉันเริ่มต้นอ่านคุรานด้วยนามของอัลล์ดีไหมดีมากๆเลยฉะนั้นมุสลิมจะทำอะไรต้องเริ่มต้นด้วยบิสมิลลาตลอดจะทานอาหารบิสมิลลาอัลล์เห็นต้องบิสมิลลาตลอด จะขึ้นรถก็มีบิสมิลลามีอัลลอฮฺวบัมีสุบฮานัลลาีตามาเต็มไปหมดนั่นต้องเริ่มต้นด้วยบิสมิลลาก่อนพี่น้องบิสมิลลาฉันเริ่มอ่านกุรานด้วยพระนามของอัลลออัราะห์มานผู้ทรงกรุณาปราณีคำนี้นี่พี่น้องอัลลอกรุณา ปาณีบาวทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้แม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นมุสลิมมาใช่มุสลิมมุนาเฟกกาเฟกฮินดูยะฮูดีนสรอนีอัลลอฮ์ดูแลหมดเลยแล้วก็ไม่ตัดไม่ตัดริสกีของใครด้วยนะครับคนไม่เอาอัลลอฮ์น่าจะตัดริสกีใช่ไหมไม่ตัดบางทีก็ให้เยอะจนกระทั่งให้แบบฟาโร่เนี่ยให้แบบกอรูเน่พี่น้องให้เยอะเลยพี่น้อง ให้แล้วหลงเลยใช่หไหมฉะนั้นอัลลอฮ์เนี่ยดูแลรับผิดชอบดูแานี้ทุกคนนะครับไม่ตัดิสกิลงใครเลยมีแต่เพิ่มให้เพิ่มให้เพิ่มให้ตลอดเวลาอรัรลอฮิผู้ทรงเมตตาเสมอคำคำนี้อัลลอฮิวะสุดท้ายนี่นะอัลลอฮ์เปโตรานเมตตาเฉพาะผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นให้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ ให้รับทิกีของอัลลอฮ์ส่วนคนที่ไม่เอาศาสนาอัลลอฮ์จะลงโทษให้อยู่ในไฟนรกตลอดเวลานี่อัลรหฮมเนี่ยเป็นองอัลลอ์มาเนี่ยบนดุนยาอัลรหฮมช้ในโลกอาคิรนะครับก็จะอฟลฮัลมุมินูนแน่นอนก็เนี่แปลว่าแน่นอนนะครับอัฟละฮาแปลว่าได้บรรลุความสำเร็จแล้วอัฟละ ได้บรรลุความสําเร็จแล้วใครรับรองครับพี่น้องนี่อัลลอฮ์รับรองเลยนะเขาแน่นอนเขาได้บรรลุความสําเร็จแล้วใครครับอัลมุมีนูนบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์พี่น้องอ่านอายาเดียวสบายใจแล้วเนี่ยคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์หกประการอัลลอฮ์รับรองว่าก็จะอัฟละฮะเขา แน่แท้หรือแท้จริงนี่เป็นการเน้นนะมีมีก๊อตเข้าไปเนี่ยแสดงว่าได้รับความสําเร็จอย่างแน่นอนสําเร็จเนี่ยมันมีอยู่สองโลกโลกดุนยากับโลกอาคีรอสองโลกครับทีนี้สําเร็จบ น, นโลกดุนยาเนี่ยอะไรรู้ไหมคือพี่น้องงานบนดุนยาเนี่ยยังไม่มีใครจบนะ พอดุนยาเนี่ยมีแต่พระว่าดารุลอามันโลกแห่งการทํางานดารุลเมห์นะโลกแห่งการเหน็ดเหนื่อยต้องเหนื่อยตลอดเหนื่อยจนกว่าจะวิญญาณจะออกจากร่างต้องเหนื่อยตลอดไ่น้องแล้วก็ขมชีวิตผู้ศรัทธาตอลอดอยู่บนดุนยานี้ขมจริงๆนี่ขณะเนี้ยตีเท่าไหร่หลัง น, นมาซุบบ์ต้องตื่นตีเท่าไหร่อย่างน้อยก็ต้องตีสี่ครึ่งใช่ไหม อย่างพัยีนเฉลิมเนี่ยมาจากหมู่บ้านเนี่ยใช่ไหมถ้าตื่นตีห้ามาทานไหมไม่ทานต้องตีสี่ครึ่งอ่ะพี่น้องหลายคนที่มาจากไกลๆเนี่ยมานั่งมามัสยิดอ่ะต้องตื่นตีสี่ครึ่งอ่ะต้องอาบน้ําอาบท่าอีกอะไรแต่งตัวอีกเหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยขมชีวิตที่ขมแต่อร่อยฉะนั้นมุมินเนี่ยเหนื่อยตลอดพี่น้องแล้วก็เหนื่อยหมดเมื่อไหใช่ไหมวิญญาณออกจากร่าง เป็นการพักผ่อนที่สบายที่สุดพี่น้องทั้งหลายก็จะอัฟละฮัลโมมินูนแน่แน่นอนบรรดาผู้ศรัทธานะครับได้บรรลุความสำเร็จแล้วทั้งดุมยาและอาคิรอพี่น้องครับคำว่าอัฟละเนี่ยฟาละหาเนี่ยเดิมเนะี่ยมาจากศัพท์ฟาละห้าฟาละหาแปลว่าไทยดินหรือว่าพรวนดินเข้า ไถดินหรือว่าพรวนดินถ้าฟัลละแปลว่าชาวนาหรือชาวชาวัดเป็นชาวนาชาวสวนชาวนาเรือฟันละลทั้งหมดทีนี้ถ้าอฟัฟละฟาลาฮ า, าเนี่ยอฟัฟละแปลว่าได้รับความสําเร็จดูสิมันผันศัพท์มันผันไปนอ้องแต่อธิบายทางศัพท์ก่อนเสียเวลาเยอะเอาไม่อธิบายอฟัฟละแปลว่าเขาได้รับความสําเร็จแล้วก็ คำว่าฟาละเนี่ยในคัมภีร์อักุรอานมีเยอะเดี๋ยวกล่าวเดี๋ยวกล่าวเดี๋ยวกล่าวในสุนนะนบีในฮะดีสก็พูดเดี๋ยวฟาละฟาละได้รับความสําเร็จได้รับความสําเร็จในอาจารย์ก็มีมอมัตอาจารย์เนี่ยวันละหครั้งเดี๋ยวก็มาแล้วฮายาลฟาละสับคำนี้แหละอัฟละนี่แหละฟาละฟาละแปลว่าอะไรนะเขาได้รับความสําเร็จหรือว่ามส จงมาหาความสำเร็จกันเถอรีบมารีบมามานามาธแล้วมาหาชัยชนะกันเถิดมาหามาสู่ความสำเร็จกันเถเดโดยการเรียกให้มานามาธิพอการมานามาธนั้นทำให้เขาได้รับความสำเร็จในชีวิตทั้งดุนยาและอาคีรออาจารย์ม่ด้ดาใครเลยแต่คนตาเฟ่ ฟ, ฟังไม่ได้มันรำคาญ ตอนยิ่งตอนสุโบโเนี่ยคนกาแฟไม่อยากฟังเลยแต่คนจีนชอบเออฉันจะรู้ขึ้นตามเสียงอะจาร์จะได้ขายนู้นขายนี่คนมันึกวุนเดือนเนี่ยไม่อยากตื่นตอนที่ห้ารอบอยากให้ตื่นเจ็ดแปดโมงวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นเอาละ <c oughs> ขอเจาอัฟลาฮัลมูมมนูแน่นอนบรรดาผู้ศรัทธาได้บรรลุความสำเร็จแล้วทั้งโลกดุนยาและโลกอารเ์ความสาเร็จ อัฟละแปลว่าสำเร็จแต่รับชัยชนะถ้ามองในด้านศาสนาถ้าอัฟละเนี่ยมองทางในด้านศาสนาก็คือใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาทำตัวให้อัลลอ์รักทำตัวให้อัลลอ์พึงพอใจก็คือทำงานตามที่อ AH ัลลอ์ทรงสั่งให้ปฏิบัติและปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบี เขาจะได้รางวัลตอบแทนแบบครบบริบูรณ์ตอนไหนครับในโลกอาคีรอแต่ตัวมีเงื่อนไขนะจะทำงานอะไรก็ตามต้องปฏิบัติตามอัลลอฮ์สัง่งแล้วก็รูปแบบการปฏิบตัติต้องปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีเท่านั้นรูปแบบอื่นพไ่ต้องอย่าทำคุณต้องสังเกตนะอัลลอ์ให้สองอย่างคนที่ คนที่เป็นมุสลินเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้สองอย่างในตัฟซีอัษฎ์อุลไบายานเป็นภาษาอูรดูนะพี่น้องได้รับสองอย่างมัก์คเฟโลตุลการอภัยโทษคนที่เป็นมุสลิมนเนี่ยพี่น้องปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์ทุกรายการทําความดีเท่ากับตัวเองมีความสามารถเนี่ยอัลลอฮ์ให้สองอย่างนะหนึ่งได้รับการอภัยโทษสอง ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์โอ้แค่สองอย่างนี่นะผ่านแล้วชีวิตฉลุยแล้วไปน้องสองอย่างนี่พอแล้วไปน้องแต่ต้องเป็นมุบินนะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อมาลายิกาหกข้อนี่ไปน้องสามข้อไว้ในใจสมข้อวใใางไว้ข้างนอกวางมาข้างหน้านึกตลอดเวลาเขาจะได้สองรายการในโลกอาคิระร์มาฟิระตุนวระรฮ์มาตุล การอภัยโทษและความเมตตาของอัลลอฮฺซุลตานะฮฺวะตาลาอะมาดูบรรดาอัศวะนบีแล้วก็บรรดานับีทั้งหมดที่มาในโลกเนี้พวกนี้สองสองเป็นแสนแสนคนที่เป็นนับีเนี่ยได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ทั้งหมดน่ะเอ้าอับีอาดามอยู่ชั้นฟ้าชั้นเท่าไรชั้นที่หนึ่งอบีมูซาชั้นฟ้าชั้นที่หกอัลบีนองแล้วก็บรรดานับีอีกหลายนบีอยู่ชั้นฟ้า มีอธิบายไปหมดแล้วฉะนั้นพวกเขาได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺและพวกเขาได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺเพราะเขาเป็นมุมินข้อศรัทธาต่ออัลลอฮฺไปน้องนอนอยู่ในกูโบว์ก็มีความสุขไปน้องเนี่ยนอนในกุโบวส์สังเกตนะทําไมา่อัลสั่งให้เราเอาคนตายหันหน้าไปทางกิบหลัดมีข้อมีข้ อ, ม, ขอมูลเยอะแยะไปหมดนะ่ะหันหน้าไปทางกิบหลัดไปน้องแล้วก็อัลลอฮฺจะเปิด ประตูบานหนึ่งให้คนที่นอนอยู่ในกูโบเห็นเห็นสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์และยังไม่พอพี่น้องครับลมจากสวนสวรรค์เนี่ยอย่างหอมอย่างเย็นเนี่ยไหลามาที่กูโบของเขาพี่น้องที่น้องย่า ง, งน้องตนึกอย่างนี้นะคนตายพี่น้องไม่ได้หวังอะไรจากโลกดุนยาคนตายหวังอย่างเดียวโลกอาคิรอ ลูกอยู่บนโลกดุนยาใบนี้ขอดถอาให้พ่อแม่ถึงหมดแต่รางวัลตอบแทนนั้นมาจากโลกอาคิรอกไม่ใช่ไปแบบส่งขมุกไปไม่ใช่ส่งขมานไปไม่ใช่พี่น้องเพราะรางวัลของคนตายนั้นไม่ใช่ผ่านโลกดุนยาแต่ผ่านโลกอาคิรอกพี่น้องผ่านอาคิรอกหมดเลยไม่ใช่ผ่านดุนยาดถอายผ่านจากโลกดุนยาอย่างเดียว แต่นอกนั้นมาจากอาคิร้องหมดเลยอะไรบ้างของหอมหอมแล้วก็ความเย็นอัลลอ์มาจากสวนสวรรค์มามาที่ถึงกูโบของคนที่นอนอยู่ในกูโบเขาเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์สุภาพนะฮูตะลยยายิ่งใหญ่มากครับพี่น้องเอาต่อมาครับตัฟซิดอิบนุกะซิและอีกหลายหลายเล่มเขาอาธิบายว่าอย่างนี้ ไซนาอุมัดรดิยละอวันดูอธิบายนะเมื่อท่านอัสลัลลอฮฺได้รับวาฮีอายะนี้ประมาณสิบอายะเมื่อท่านนบีได้รับวาฮีสิบอายะเขาสุรานี้แหละอัลมุมินูเนี่ยพี่น้องบรรดาชาวบ้านนบีได้ยินเสียงเสียงที่มาที zię, ่ท่านนบีเสียงมันหืมหืมอย่างเสียงร้องของผึ้งจังหืมหืมหืมหืม เสร็จแล้วก็นบีก็หันหน้าไปทางกิบหลัดแล้วก็นบีก็อะไรแบบนบีขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยต้องหลายนะครับหันหน้าไปทางกิบหลัดนบีก็ยกมือขึ้นนบีก็ขอดูอาขอดูอาว่าอย่างนี้ใ น, ในตับเซตอิบุกเซตอธิบายไว้นะครับอัลลอฮุมะซิฎนาวะดาตังกุสนา ว่ากรีมน่าว่ลาตุหิน่าว่ว่อัตินาว่ลาตัพรีมนาว่าซิรนาว่ลาตตุซิร ل ي ا ว่ารบ่อันนาว่ารดินานี่นบีขออุทิหลังจากประทานอัลกุรอานสิบอาย่านี้น hey, บีนั uran, ani, N abi, N ah, ่งอยู่กับบรรดาอัอฮ์ท่านนบีเปลี่ยนทิศ นั่งหันหน้าไปทางกิบลัดระยกมือขึ้นแล้วขอทูอาว่าไงนะอัลลอฮุมมัซีตนาแปลว่าโอ้อัลลอ์โปรดเพิ่มภูนให้แก่เราวลาตังกุสนาและอย่าลดย่อนให้ให้เยอะๆอย่าลดวาอัคริมนาข้อที่สองโปรดประทานเกียรติแก่เราวลาตูหินนะและอย่าได้โปรดทำให้เราเนี่ยตกต่ำ โอโ้ขอดีมากเลยนะให้เกียรติเรายกย่องเราอย่าให้เราเป็นคนที่ไรเกียรติวาตีนาเวลาตาหริมนาโปรดประทานให้แก่เราและอย่ายับยัง้งให้ให้เยอะๆอย่าหยุดวาอาเสนาเวลาตุเสอะไจนาะโปรดประทานให้แกเรามากกว่าคนอื่นอย่าให้คนอื่นนั้นได้รับมากกว่าเราอัลลอฮฺเห็้ไหม นบีเราในชั้นหนึ่งจริงๆใช่ไหมขอแค่ขอให้อัลลอฮ์เนี่ยประทานให้กับเราเยอะๆอยากให้กลุ่มอื่นเนี่ยมากกว่ากลุ่มเราไปน้องข้อสุดท้ายว่าอัลลออันนาว่าอัล ด, นะดีนาโปรดประทานความพึงพอใจให้กับเราและทําให้เรามีความพึงพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้นี่นบีขอถวะพอขอถวะจบนะครับนบีพูดว่าไงใช่ไหม ฉันได้รับวะฮีมาสิบอายะฉันเพิ่มได้รับวะฮีมาสดๆร้อนๆนี่นะสิบอายะที่อิมรอนจัดอิมรันอ่านเมื่อกี้นะี่สิบอายะนะี่นรองครับนั่นแหละคือเอามีความหมายหมดเลยนะแล้วก็นบีพูดว่าใครที่ปฏิบัติสิบรายการนี้ดะฮ์ฮะ ล, ลจันนะเขาได้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์รอตายอย่างเดียว ตายเมื่อไราปั๊บเข้าสวรรค์เลยเอัลฮัมดุลิลลาพี่น้องตัวลงบทสิบรายการมีอะไรบ้างวันนี้จะเรียนแค่สามสี่รายการก่อนเอ้ามาดูครับก็ดะอัฟลาฮัลมุมินุแน่นอนบรรดาผู้ศรัทธาได้บรรลุความสำเร็จแล้วคนที่จะบรรลุความสำเร็จนั่นพี่น้องทั้งหลายนะครับต้องเป็นคนยังไงครับ ต้องเป็นคนที่ศรัท ธ, ธาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และก็ต่าทีนี้อยู่บนโลกดุนยาแบนี้การเป็นน้องถ้าไม่เอาสุนนะนบีมากำกับชีวิตทำอะไรเองคิดเองในคุรุอ่านอธิบายอย่างนี้อามีลตุนนาซิบะแปลว่าอะไรอามีลตุนนาซิบะตัลานารันฮามิยะเราอ่านได้ทุกคนใช่ไหมพาะอิหม่ามอ่านทุกทุกวันศุกร์เลย ตัศแลนารนหามิยะอามิลตุนนาสีบาอามิลตุนนาสีบาแปลว่าทำงานเหนื่อยงานที่คิดเองทำเองไปน้องเหนื่อยคนที่ทำตามอลัลลอฮ์ก็เหนื่อยแต่คนที่ทำตามอลัลลอ์เหนื่อยแล้วได้รางวัลเป็นสวนสวรรค์ตอบแทนแต่ทำงานเองคิดเองไม่เอาสุ น, นัขดามีมากำกับชีวิตตัศแลนารนฮามิยะ โยนลงไปในไฟนรกเห็นไหมเหนื่อยเหนื่อยเหมือนเรานี่แหละตื่นตั้งแต่ตีสามเหมือนกันนะ่ะไปขายโจกแต่มาใจนมาซูบโบเหนื่อยไหมเหนื่อยเสร็จเสร็จแล้วตัสลานาะรอนหามิยะถูกโยนลงไปในไฟนรกเห็นไหมเนี่ยงานงานดุนยาด้งานดุนยาจะคิดเองทําเองไม่เอารูปแบบของท่านนาบีมา เหนื่อยฟรีไปน้องแล้วเหนื่อยฟรีตรงไหนครับอามีลตุนนาอิบะเป็นคนที่เหน็ดเหนื่อยกับการทํางานเสร็จแล้วก็ถูกลงโทษในไฟนรกทํททาทําไมนะครับอ่าพี่น้องทั้งหลายนะครับจะมาดูฮะ ด, ดิสมาดูกุณอ่านเดีอายาหนึ่งคนที่เป็นมุมินอยู่บนโลกดุนยาไปนี้เขาทาอย่างนี้มันฑนามิเหล่าสอฮิยามินราคารินเอาอุนซาวาหุวามุมิน ฟะแลนวะยืนยันนะฮูหายาตันต่อยีบะคนที่เป็นมุสเหม็นไปน้องครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาทําความดีอัลลอฮฺจะให้ชีวิตการเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นอธิบายยังไงครับไปน้องไม่ใช่รวยขึ้นมือบ้านใหญ่โตขึ้นมีรถหลายๆคนไม่ใช่อธิบายอย่างนี้อธิบายอย่างายยางี้อัลลอฮฺจะให้ชีวิตของเขาเจริญเติบโต มีชีวิตชีวาที่สุขสบายสุขสบายอธิบายงี้ได้มีโอกาสได้ทำอามันที่ซอละได้อ่านอัลกุรอานอบอุ่นใจไหมได้เข้าห้องน้ำตามสุนนนาบีอบอุ่นใจไปน้องได้นามายครบห้าเวลานามารวาติบอีกนี่แหละเป็นชีวิตที่ดีที่สุดฮาย่าตต้อ ย, ยีบัได้นอนตามสุนนนาบีอ่าไปน้องนอนไงเอามือขวาจับแก้มขวาแล้วนอน ตะแขงขวาอาลัลลอฮ์พี่น้องเมื่อก่อนนี่เราไม่รู้เลยว่าอันนี้มันดียังไงวันนี้รู้แล้วพอะหัวใจจะมาอยู่ด้านไหนด้านซ้ายพะตะ แ, ตแขงขวาไม่มีอะไรมาทับหัวใจนี่น่ะหะยาตันตอยิบะเป็นชีวิตที่ดีอา้าวนบีสอนเนีเราดูแลพ่อแม่ใช่หรือไม่ใช่นั่นแหละให้ชีวิตที่ดีที่สุดแต่ดูแลคุณพ่อดูแลคุณแม่ดูแลพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาว ดูแลญาติพี่น้องฝ่ายพ่อฝ่ายแม่พ่อตาแม่ยาลูกสะพ้ยลูกเขยนี่เป็นชีวิตที่ดีพี่น้องเพราะเราเดินตามคำสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาเรียกว่าขยายตามต่อยีบะชีวิตที่ดีพี่น้องแล้วก็ทําทั้งหมดนั้นทําเพื่อหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาแหละเป็นชีวิตที่ดีนะครับพี่น้องเอาต่อมาครับนี้ข้อที่หนึ่งนะ คนมุมินได้รับความสำเร็จในชีวิตทั้งดุนยาและอาคีรอข้อที่สองครับ الَذِينَ ه ُ م ฟีِ ي ص َ ل َิ ت ِมِ م ْ خ อ ا นِ ع ُ و ن َ ا ل َ ذ ِ ي ن َ ه م ْ فِي صَلَاتِهِمْ خ َ ا س ا ل ح م د u l i l งในเรื่องของเราหมดเลยนะ ไม่ใช่เรื่องของแมวเป็ดไก่ไม่ใช่เรื่องชีวิตของผู้ศรัทธาเลยไปน้องชีวิตผู้ศรัทธาเป็นมุมินแล้วข้อที่หนึ่งจะต้องปฏิบัติทุกวันก็คืออัลลีนะฮุมบรรดาที่พวกเขาฟีโซลาที่หิมคอเชียอนแปลคอเชียโนก่อนผู้ทอมตนผู้นอบน้อมฟีโซลาติ่หิม ในการนามาดของพวกเขาเห็นยังรครับตลงมุม่มนินนามาดขาดหรือไม่ขาดไม่ขาดแต่วันละกี่เวลาห้าเวลาเราวาตทิบมีไหมมีสิบอลักอากหรือสิบสองหลักากรักษาคนที่เข้าใจซูนหนาเนี่ยไม่ใช่สิบอลักอากไม่ใช่สิบสองแถมดูฮาอีกใช่ไหมไม่ใช่แถมตะฮัดยุดอีกใช่ไหม เอาละเห็นอย่างครับเนื่องชีวิตที่ต่อยีบาพี่น้องเสียดายเป็นหมดนะมีอยู่คนโทรศัพท์เล่ามาฟังหัวฉันเนี่ยอยากอยากจะนอนสุโบเนี่ยคิดไปคิดมาอยู่กูโบอยู่คนเดียวเราใครจะช่วยนอนไม่รับลุกขึ้นลุกขึ้นตั้งแต่ตีสีครึ่งอ่ะตีสามครึ่งตื่นแล้วพี่น้องมาได้มานามาดูฮามาอ่านกุรอ่านมาซึกพรุลล่อพี่น้องนั่นแหละ ายาจมต่อยิบะชีวิตที่ดีนเนออ้าลักษณะของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์พึงพอใจตายแล้วได้ไปสวรรค์ข้อที่หนึ่งอัลลอดีนะฮุมฟีโซเลติฮิมโคชิอูนบรรดาที่พวกเขาเป็นผู้ถ่อมตนในการนมารของพวกเขาอัลลอฮ์ไปน้องอา้า กุรอานเนี่ยอธิบายกุรอานคำว่าคอชโอนอย่างเดียวครับพี่น้องคอเชียเนี่ยแปลว่าอะไรนะถมตนในไอ้กุรอานอายาอื่นสุรฮัสที่ผ่านมานี season, 22, า่ยสุรที่5อาสุรที่ี่สองอยาที่หนั้นเเปิดดูสิเปิดย้อนไปดูวตาทั้อาร์ดฮามิดตัน فإذاأنزلناعليهاالماأحدساتوربات วَ ت َ ر َง الأرض หามَดะ فإذا أنزلنا عليها الماء إ ه ت ز و َ رباط แผ่นดินอามุ h a m มั d เอยหรือว um. ่าพที่อ่านกุอ่านเอยเห็นแผ่นดินที่แห้งแล้งไหมเมื่ออัลลอ์ได้ให้น้ำฝนตกลงมาบนแผ่นดิน เราจะเห็นว่าแผ่นดินนั้นน่ะมันจะซุยแล้วก็ชุ่มชื้นแล้วก็พองตัวขึ้นมาแผ่นดินน่ะพี่น้องที่แห้งแรงในพี่น้องวัละ ถ, ถูกน้าฝนปั๊บเนี่ยมันคอชิอาวนเลยต่อการจะอธิบายว่าคําบอกว่าคอชิอานแปลว่านอบนอบ้นอมถ่อมตนนะ่ะใช้กับแผ่นดินด้วยใช้กับใจเราด้วยต่อการอธิบายอย่างนี้หัวใจกับแผ่นดินนะ่ะเหมือนกันนั่นแหละ ดินที่เราเดินที่ไรพี่น้องแผ่นดินที่แห้งแล้งเนี่ยเวลาถูกน้ำฝนลงมาเป็นยังไงครับซุยแล้วก็พองตัวใช่หรือไม่ใช่ก็ต้องเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยหัวใจของคนก็เหมือนกันถ้าได้รับน้ำฝนที่มาจากอัลลอฮ์ ก, ก็มาถึงอัลกุรอานพี่น้องหรือว่าได้นามาพี่น้องนามาจากไหนอ่ะข้างบนหรือข้างล่าง นบีขึ้นไปรับวะฮีใช่ไหมมันไม่ต่างอะไรกันน้ฝนเลยแต่นบีขึ้นไปรับนะ่ยมีอยู่งานเดียวที่อัลลอฮ์ให้นบีเข้าเฝ้าแล้วก็มอบรางวัลคือนามาดให้ส่วนงานอื่นๆนั่นอัลลอฮ์ไม่เคยเรียกไม่เคยเชิญนบีขึ้นเข้าพบเลยไม่เคยให้ยิบรีน ล, ลงเอามาประทานให้กลางลางหาลงมาลงมาลงมาแต่นามาดนี่เชิญเอาโมมัดขึ้นไปหาเช้อน้อยให้ ฮัจยบรีนพาไปผ่านบุรอกขึ้นไปข้างบนนู้นไปน้องพอไปถึงตรงนั้นครับอัลลอฮ์มอบรางวัลอันยิ่งใหญ่คืออสสลัลซอลอาอัลลอฮ์อู่ถ้า่านจะกฮะดีสไปน้องนามาต์ครั้งแรกแต่ที่ประทานประมาณเท่าไรห้าสิบเวลาใช่หรือไม่ใช่พอมาถึงนบีมูซานนบี ท, ทางถามอัลลอฮ์ให้อะไรมาให้นามาต์เท่าไรห้าสิบวักตูโอ้โยยา่าๆขึ้นไปขึ้นไปไปขอร้องโจทัางเหลือห้าเนี่ย ถ้าให้เราเป็นนบีเราคอเลิศหนึ่ง น, นะคุณมันเยอะเกินไปให้ไม่ไปน้องฉะนั้นคนที่นมาดไปน้องหัวใจของเขาเป็นไงครับคอเชียวโอนหัวใจของเขานอบนอบ้นอมแล้วทอมต้นเหมือนกับแผ่นดินเมื่อเวลาได้ถูกน้ําฝนขึ้นมาปั๊บซุยชุ่มชื้นแล้วก็พองตัวขึ้นมาพ้นจากน้ําฝนที่มาจากอัลลอฮ์แล้วเรากำลังการไปน้องครับคนที่นมาดท่าใจของเขา หอมนต้นกับอนะล่อยเนี่นะอัลลอฮฺอักบะดยิ่งใหญ่หมดเลยไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ถ้าหัวใจที่ชุม่มชื่นนะไปน้องตลาดแค่นัน้นคนที่นมาดไปน้องยิ่งนมาดยิ่งอร่อยบางคนสุดหยุดนะทําไมอ่ะมันขอเลยมันอร่อยอ่ะไปน้องไม่อยากจะเงยเลยไปน้องจะ่นีนน้ไอ้คนที่นมาดแป๊บๆๆๆอัลลอฮฺมีไหมมีนั่นน่ะคือคนยังยังไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วไปน้อง ค น, นี่อิมามเนี่ยสูญยุตยาทำมดุลิลล่าหลุดกุ้งอันนานทำผมประทับใจมากเลยพอเราเรียนมาเนี่ยมากพอเจอโอ้โหทำมดุลิลล่าอักบัตอา้าวสรุปมุหมินที่นมาด้วยหัวใจที่นอบน้อมนั้นทําให้หัวใจของเขานั้นงดงามทําให้หัวใจของเขาชุ่มชื่นทําให้หัวใจของเขาพองตัวอลัลลอฮฺอักบัตยิ่งใหญ่ الذين هم في صلاتهم خ ا ش อ و ن บันดาที่พวกเขาเป็นผู้ทอมตนในการนามารของเขาอัลลาะพี่น้องทีนี้การนามารเนี่ยพี่ท้องหลายนะครับท้าวันนบีชอบนามาสมา้ยมนบีชอบสามรายการนบีพูดเลยนะ บนโลกดุนยาไปเนี่ฉันชอบสามรายการเท่า น, นั้นแหละท่านอานัสบินมาลกท่านอานัสรละของอันบุยยใดรายงานบอกว่าท่านนาบีพูดบอกว่านาบีเนี่ยชอบสามรายการหนึ่งชอบของหอมของหอมมันจงอะไรนะนาน้ำไ้นะนำอะไรนะ้น ำ, รนำหอม นบีชอบของหอมดันั้นผู้ชายเนี่ยมามัสยิดให้แต่งตัวสะอาสาแล้วก็ปะพรมเครื่องหอมเล็กๆได้น้อยถ้าไม่มีทำไงให้ขอจากภรรยานี่นบีสนะั่งอ่ะแสดงว่าภรรยาต้องเก็บน้ําหอมไว้สมา่าเสมอแล้วใส่ตัวหน้ายใส่ตัวนางอยู่ที่บ้านสามีก็จะอาศัยดมด้วยถ้าข้างนอกเนี่ยให้ผู้ชายใสย่ข้างในภรรยาใสา่ แต่ที่เราอยู่กันนานอยู่กันมาห้าปีแล้วไม่แต่งตัวแล้วใส่คอกระเช้าทั้งวันเลยไปน้องแล้วไปทำทำไมเนี่ยอย่างนั้นน่ะอลอผู้ชายเขาออกไปนู่นมานี่ก็เห็นอะไรเยอะแยะไปหมดการมาถึงบ้าน้องนว่ามะที่นายได้ภรรยากันต้องแต่งตัว ส, สวยๆ อ, อ๋อนะคุยเรื่องสาวรบมี ม, ม, มีมีแรงหน่อยหนึ่งนบีชอบขอมหอม สองนบีชอบรักภรรยาอัลลอฮฺอันนิสามายถึงว o m a นนบีชอบพี่น้องแต่ต้องถูกต้องตัอภรรยาเราแต่งนิกายให้มันถูกต้องมันก็ถูกต้องในบดใช่ไหมนบีชอบเรื่องที่สามนบีชอบนามานามานี่พี่น้องกัรเรืองอัสซอลานี่นบีชอบมากพี่น้องบางทีกำลังคุยคุยอยู่ถามท่านบิรลา่าว่าได้ได้เวลานามาดยังอรฮนาะ ฉันจะได้พักผรการยืนนมาศของท่านนาบีหมายถึงการพักผ่อนแต่เราตรงกันข้ามใช้ไม่ใช่ไมนมาศคือพระใช่ไหมเปลี่ยนใหม่ครับนมาศคือการพักผรที่ดีที่สุดอลัลลอฮ์พอยูนแล้วมาสบายใจอัลฮัมดุลิลลาฮิราะบบิลลาเรมีนึกคำแปลด้วยเพื่น้องอย่าเพิ่งอ่านอายะที่สองอ่านอายะแรกเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาฮิราะบบิลลาแปลว่าอะไร ออบรรดาการขันเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอระพูกอภิบาลแห่งสาตลนและจักรวันใจนึกอรห์มานิรฮให้ท่านามายคนเดียวนะไม่เป็นการพักพรอจริงๆแล้วก็กุรลตัวออายุนทำให้ชื่นตาชื่นใจเนี่ย น, นบีฉะนั้นเอารูปแบบนบีมาใชา้พยายามพัฒนาจิตใจแล้วให้นามายเหมือนนบีให้มากที่สุดเอาี่น้อง นี้นามาตจาครูช่วยนะทําไงพี่น้องเพราะครูช่วเยเนแปลว่าอะไรนะนอม น, น, น้อมทอมตนในนมาต้องนอมน้อมทอมตนให้ทำสี่ข้อก่อนเอาวันนี้เอาแค่สี่ข้อนะหนึ่งอภร์ที่นุ่งนามาตเนี่ยอย่านุ่งอย่านุ่งของรัฐรัดอย่านุ่งของอภรรกางเกงรักเกงยีนเนี่ยคนละพี่น้องนมาตไม่ครูช่วยหรอก อ่าทำดีแล้วนะมาใหมครูช่วข้อที่สองสายตาจะให้นามายครูช่วยเป็นน้องสายตาเนี่ยนะต้องระวังเรื่องสายตาถ้าสายตาในเป็นน้นองมองซอกหน้าเห็นอบตภูเกต็ตเอาจ่ายไปภูเก็ตแล้วอบตพัทลุงอาอีกแล้วนี่มันสามสี่จังหวัดมาแล้วที่สรตว์มาถามเนี่อบตเยอะมากอะ่ะตอนที่ครูเขาวันนี้ให้ใส่เสื้อตัวสีขาวแล้วดีขึ้นนะ่ะแม่เรา อไใจไม่ค่อยเสียทั้งก้นเจออบตภู เ, เก็ตอบตกระบี่โอ้โพี่น้องฉะนั้นสายตาพี่น้องต้องมองที่ไหนเวลายืนให้มองที่สุญูดอย่าขยับเขยื่อนไปไหนพี่น้องตอนรู ก, กลัวสายตามองที่ปลายเท้าตอนนั่งอัตหะยาตามองที่เนี่ยนิ้วชี ถ้ามองในสามที่นะสายตาพี่น้องใจจะคุชชั่ทันทีเลยเรื่องที่สี่พี่น้องต้องรู้ความหมายอ่าบทดวงอาในนามาต์เนี่ยเชิญสามีอัลลอฮฺฮุลีมันฮามิดะมีอยู่คนโทรศัพท์มาหาผมเมื่อวันเสาร์นเนี่ยอาจารย์สามีอัลลอฮฺฮุลีมันฮามิดะแปลว่าอะไรผมว่าโอ้ดีมากเลยเนี่ยคำริ้งสาวเนะี่ยมันง่ายสามีอาแปลว่าอะไรนะจะยิน อัลลอฮ์ทรงได้ยนินซามีอัลลอฮฺลิมันฮามิดะผู้ที่สรรเสริญพระองค์อัลลอฮ์ได้ยินหมดเลยเนี่ยเราอ่านดวงอาข้างล่างเนี่ยข้างล้นได้ยินหมดเลยพี่น้องว่าอ่านดวงอาถูกหรือผิดอ่านแล้วขออะไรอัลลอฮ์ให้ตามที่เราอ่านแค่พี่น้องทั้งหลายอัลหัมดุลิลลาห์ฉะนั้นรู้ความหมายของดวงอาในนามาตมีข้อที่สี่แล้วนะข้อที่ห้าพี่น้องต้องนึก ว่านามานี้เป็นนามาสุดท้ายลาโลกดุญญยนยาแล้วนมานี้เป็นนามาสุดท้ายไม่มีโอกาสได้อยู่บนโลกดุนยานี้ต่อไปถ้านึกแบบนี้นะครับห้าข้อนี้นะอินชาอัลลอฮฺหัวใจจะคอเชีนหัวใจจะนอบนอบ้อมแล้วก็ถ่อมตนต่ออัลลอฮฺสุบฮานาบูวาตาละนี่มุมลินเขาต้องฝึกตัวแบบนี้นะครับพี่น้องเอ้าต่อมาครับพี่น้องคําว่าคอเชอยนนี่ โอ้โหทับซิ์อธิบายดีนะพี่น้องแปลว่าอนะไรคออีฟูนกลัวก็ได้หรือว่านั่งอยู่ข้างหน้าคนคนหนึ่งไม่กล้าไม่กล้าอะไรไม่กล้าเหลือตามองนั่งกลมด้วยความเกรงขามแล้วก็กลัวนั่นแหละเขารียกว่าคอเชียออนในน้นมาต้มพยายามนึกให้ได้ภาพนี้ครับมีห a ด i s หนึ่งอธิบายอย่างนี้เมื่อก่อนที่อลัลลอจะประทานลกรุรอานอายานนี้มานะ ال ล ل ذ ي ن هم في صلاتهم خاشعون ก่อนจะประทานอายันนี้มาเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งนบีนามาดยืนนมาศนบีก็เงยดูชันฟ้าคืนนึกถึงอ AH นะั AH ลละฮ์อัลล์ประทานกูอ่านเลยไปน้องอ่าประทานกูอ่านอายันนี้เลยเนี่ย ال الذين هم في صلاتهم خاشعون เพราะการจะอธิบายว่าไม่อนุญาตให้เงยนหน้ามองชันฟ้าขณะที่อยู่ในท่านามาเตือนนบีเห็นไหมพี่น้องแสดงว่าฉะนั้นคนที่ยืนนามาพี่น้องตาจะไปซ้ายไปขวามองข้างบนไม่ได้มองได้จะผละ บ, บุญลดเลยปุ๊บปาฉะนั้นต้องเว้นนะ ต้องนอบน้อมแลวกระอมตนตอลอให้มองกี่ที่นะตอนยืนมองที่สูดยตูตอนรู้ก้วมองที่ปลายเท้าตอนนั่งอัจะรายะตายมองที่นิ้วมืออย่างดีเป็นต้นในอุลมะแนะนำให้ครับต่อมาอายาที่สามครับกลัวว่าคนที่เป็นมุมินต้องนมาดห้าเวลานมาดแบบไหนครับด้วยใจกูชัวที่นอบน้อมและกระทมตนที่น้องอา้าต่อมาครับ والذينهم عن اللغو معرضون والذينهم عن اللغو معرضون อัล <c> ล <oughs> อฮฺยานีดีมากับน้องบรรดาผู้ที่วันละดีน้หุมและบรรดาผู้ที่พวกเขามัวรีดูนี่แปลว่าหลีกเลี่ยงหรือว่าหลีกหา หรือว่าไม่สนใจหลีกห่างหรือว่าหลีกเลี่ยงเบนหน้าไม่สนใจเขาเรียกว่ามั่วอะดูนี่น้องมั่วอะดูนเรื่องอะไรครับอั น, นิีลักวิเรื่องไราสาระอืมมุมิมนพี่น้องอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยเห็นของหา้ารำทั้งวันใช่มไม่ออกไปไปเจอทีเซีคอนหารามเต็มเลยพี่น้องไปเดินที่สวนหลวงเรกาก้าก็เหมือนกันตลลอพี่น้อง มานั่งทำอะไรกันก่อนให้รู้เราเห็นแล้วก็อเออบางทีบางคนอิมาโ น, น, น่ก็จ้องอิมานเยอะนอก็เมินไปน้องเนี่ยเมินหน้าหลีกเลี่ยงออกห่างจากเรื่องไราสาระ อ, า อ, อ, อัลออออลอฮาาฺไปน้องอุลามะอธิบายเรื่องไร้สาระอธิบายนะครัไปน้องเรื่องทะเลาะกันคนเขาด่ากันนี่ยไปน้องมองหรือไม่มองถ้าคนไทยเนี่ย โอ้โหชอบรุมเลยอ่ะเขาทะเลาะ ก, กันไปยืนฟังเขาด่ากันน่ะแต่คนโมเมนต์เนี่ยเขาทำไหมเขาจะไม่ทำใช่น้องดนตรีเขาเล่นตึงตึงตึงตึ ง, ตงมุมเมนต์สนใจไหมเขาได้วันรักกับวนเรื่องไร้สาระดนตรีอ๋อเหรอพี่น้องดนตรีร้องเพลงทะเลาะกันเรื่องไร้สาระทั้งหมดพี่น้อง เขาจูจีการเรื่องไร้สาระเรามีที่จูจีที่ไหนในห้องจต่คนคาเฟ่ํานอกห้องและนบีทํานายไว้ไกลๆวันนี้มันจะทํำพินาศที่ปลายก้นเมนบีทํานายไปหมดเลพี่น้องดังนั้นมุเมินจะต้องสํารวมตนจากนามาดเมื่อนามาดเสร็จแล้วอยู่ในสังคมไปไหนมาไหนต้องระวังสายตาอย่าไปสนใจเรื่องไร้สาระอย่าไปจ้องมองเรื่องไร้สาระ อย่าไปสนใจเรื่องรายสาระเรื่องทะเลาะกันนินทากันเขาด่ากันเขาตบต่อยกันถ้าเข้าไปห้ามก็ไปเลยถ้าไม่ห้ามก็ไปห่างๆไปเลยเสียงดนตรีเสียงเพลงละครโอ้โหอยู่ที่บ้านเต็มเลยอยู่ตอนนี้ดัะนั้นคนที่เป็นมุลิมินจะต้องนึกตรงนี้นะฉันไม่ใช่นามาดอย่างเดียวฉันจะต้องไม่สนใจในเรื่องร้สาระอัลฮัมดุดลิลลา์แค่ั้ทั้งหลาย คือสาเหตุที่อัลลอฮประทานกุณอานอายานนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้ห i อ n n a ก u f a r i m a k ม a kanu yastamin y ยัช yastatimuna y a s t u m u n นบีมาสอนศาสาที่ทนครมักกะฮ์พี่น้องรู้ไมมาสอนเรื่องอะไรเรื่องแรกก็คือเรื่องอยาการาว่าสิ่งอื่นนอกจากอัลลองานที่นบีทำพี่น้องครับทุกนบีทาเหมือนหมดเลย คนมักการไปน้องกราบรูปจวเวศสามรอยหกสิบรูปใช่หรือไม่ใช่อยู่ที่กาบ้านหมดเลยนะพอนบีมาสอนมานาบีมาสอนมาเหลือพระเจ้าองค์เดียวมาโหรไหมอ้ามุ ม, มัดเอาอะไรมาสอนมาเนี่ยเรากราบพระเจ้าทั้งสามรอยห้าสิบองค์หกสิบองค์เนี่ยมันเจ๋วอยู่แล้วพอมาจากปุยยะตายายแล้วมาสอนให้ลดเหลือ อ์เดียวใครรับได้โอ้โหเรื่องใหญ่มากเลยพี่น้องแต่น บ, บีทำสำเร็จวันนี้ที่มากล้์เนี่ยเรียบร้อยเห็นไหมนมากรน โ, โหลฮามดุลิล่าคนกาเฟตเริ่มด่า น, น บ, บีอ้าหัวหมัดเอาอะไรมาสอนดูสิสากพระเจ้าส5 0อยห้าิบมันลดให้เหลือหนึ่งต้องดา่านินทาใส่ร้ายสารพัดพี่น้อง คุยจะร้านกาแฟกับดานบีมอมมัดงั้นเมื่อกี้นี่แหละเรื่องไร้สาระอย่าไปสนใจเราทำหน้าที่สอนไปพไปต้องเห็นยังกไงคำอธิบายนะดาตำมนินบีท่านเราใครใครด่าเราถ้ามองไม่เห็นบางก็ได้ใช่ไหมวัลลาดีนาหูมานิลลาวีมัวริดูแลบรดาที่ภูเขาหลีกเลี่ยงหรือออกห่าง จากเรื่องไร้สาระไม่เข้าไปยุ่งในเรื่องไร้สาระเป็นองครับเรื่องไร้สาระนี่นะสรุปแล้วถ้าเข้าไปยุ่งเยอะๆผลสุดท้ายตีกันผลสุดท้ายทะเลาะกันใช่ไหถ้าเราออกห่างมันก็จบอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าจะเข้าไปห้ามอย่างเงี้ยได้ถ้าอำนาจไม่มีไปเลยไปกางๆไปกางๆเลยเป็นองโอเดีมากแค่เพียงรย้อยเรื่องไร้สาระอธิบายยังไงครับหนึ่งคพูด ร้องเพลงเต้นราด่ากันทะเลาะกันเล่นดนตรีเล่นการพ น, นันโอ้นี่ยไปนอนทั้งหลายต้องออกห่างให้หมดเลยถ้ามีอำนาจก็เข้าไปห้ามถ้าไม่มีก็พูดถ้าไม่มีก็นึกในใจแอนตี้ในใจแล้วออกหาไปให้ไกลเลยนี่ลักษณะของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ลักษณะที่สองที่หนึ่งนามาดพี่นักศึกษาอุลมามะก็อธิบายอย่างนี้นะทําไม ล l l a h จึงวางอย่างงี้วางนามาศกับวางเรื่องไร้สาระมาวางคู่กันทําไมอ่าไป น, น้องสังเกตนะพอพูดเรื่องคอชิงอุลตามด้วยอัลลัคุคอเชื่อแปลว่านอบน้อมถ่อมตนอัลลัคุไปว่ า, วาเรื่องไร้สาระเอามาวางคู่กันทําไมพุลมะเขาเขาตั้งประเด็นดีนะสรุปก็คือว่า คนที่นมาดครูช่วรักษานมาดห้าเวลาไม่ขาดยิงรักษาที่ทมัสยิดด้วยนี่นะสิ่งที่ตามมาเขาจะไม่ยุ่งสนใจเรื่องไรสาระสะเก็ตัวเราเองเนี่ยมันกลายเป็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยโหอร่อยจริงๆทุกเรื่องเอาหมดนะ่ะพอมานมาดรักษานมาดมากขึ้นมากขึ้นไม่ขาด ได้แต่ฮัตยุทธ์ด้วยดูฮ้าด้วยเรื่องไราสาระค่อยๆผ่านทีโน่จะโน่จะโน่จะโน่จะนั่นในบ้านเราเนี่ยบ้านที่นามาศทะเลาะกันมีไหมไม่มีพูดําสองคมเข้าใจแล้วสรุปสรุปจบนะมานทะเลาะกันนะนั่นบ้านจะเป็นบ้านมุมิ่งฉะนั้นนามาคุชั่วกับเรื่องไราสาระอยู่คู่กันนี่อุลมามะอธิบายว่าดีมากๆ ก, กันไปเนาะฉะนั้นลูกๆ ก, ก็ต้องเหมือนกันไม่ทะเลาะ มันไม่ด่าพ่อด่าแม่ด่าทำไมอ่ะแสดงว่าถ้ายังด่ากันอยู่ทะเลาะอยู่แสดง ว, ว่าลูกนี้นามาตผ ล, ลบุญไม่มีพูดอย่างนี้เลยครูช่วไม่นี่ถ้านามาตครูช่วยไปน้องครับเขาจะรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักญาติพี่น้องติดต่อกับญาติพี่น้องดีหมดเลยอ่ะถ้าหากว่านามาตไม่ครูชั่วนามาตนั่นนมาตแต่ไม่ครูช่วอย่างเดียวไปน้องครับ ผาดกวตามมาเพลงก็่าฟังได้ดนตีก็เล่นได้เออเห็นไหมนำมาไหมนำมานำมาดแบบั้นไม่มีผู้ช่วยอ่าเห็นยังครับจากนั้นลักษณะที่สองที่สามของผู้ศรัทธาตอนรอบก็คือเขาจะไม่สนใจในเรื่องไร้สาระครับไปเท่าไหร่ต่อมาข้อที่สี่พี่น้องครับวันละดีนะฮุมลิซักติฟาอิลูอัลลอุอัลล والذينهمللسجاتفاعيلون และบรรดาที่พวกเขาเป็นผู้ฟ้าอิลูนก่อนแปลว่าฟ้าอินเป็นผู้ปฏิบัติลิสจากาดจากาเนี่ยไม่ได้แปลว่าจ่ายจากาดนะมันจะิีพมังคิบาลแล้วว่า สุร้นี้ประทานให้ที่นครมักกะสกาดนั้นอัลลอฮฺประทานให้ที่นครมาดีนะเรื่องสกาดเรื่องนามาดอัลลอฮฺประทานให้เมื่อท่านนับีอพยพจากนครมักกะไปถึงนครมาดีนะถึงจะมีนามาดแล้วก็มีปีแรกนามาดปีสองสกาดตอนอยู่มักกะสิบสปีเนี่ยนามาดไม่มีสกาดไม่มี ท่า น, นพอพูดถึงเรื่องอากาศตรงนี้นะไม่ได้หมายความว่าจ่ายอากาศหมายความว่าซักฟอกหัวใจให้สะอาดอ่าเข้าใจนะอากาศที่นี้หมายถึงซักฟอกหัวใจให้สะอาดอัลลอพี่น้องครับวันละซีนาฮุมลิซากติฟะอิลูนและบรรดาที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อการชำระขัด เกลกิเลให้สะอาดอย่าให้มีมลทินอย่าให้มีของสปปกโปรปอย่าให้มีหัวใจที่ที่มีชีริกต่ออัลลอฮ์เนี่อยู่ในหัวใจไม่มีอ้าวแสดงว่ามุมินนั่นนอกจากนามาแล้วยังไม่พอตกลงนะต้องไม่สนใจเรื่องรายสาระข้อที่สาเขาต้องปฏิบัติเพื่อการชําระกิเลหัวใจของเขาให้สะอาดอัลลอฮ์พี่น้อง อูลมะอธิบายดีนะอธิบายอย่างนี้ชาระหัวใจให้สะอาดนะทำยังไงบางคนทำไม่เป็นจะให้หัวใจสะอาดต้องไม่มีเจตรายการอย่าลองจำเลยนะต้องไม่มีเจตรายการดังต่อไปนี้อยู่ในักุรอานทั้งหมดครับข้อเรื่องที่หนึ่งชิริกชิริกอย่าให้มีในใจโตตะเกียสำคัญ แสดงว่าเองยังไม่จะฟักสักฟอกหัวใจให้สะอาดไปยืนซื้อหวยอ่าแสดงว่าหัวใจของเองนังยังไม่จะถูกทักฟอกให้สะอาดสักฟอกหัวใจก่อนไปน้องหัวใจให้สะอาดก่อนหัวใจต้องไม่มีเจ็ดรายการนะหนึ่งไม่มีชิริกสองไม่มีริยาริยะแปลว่าอะไรนะโอ้อวดทำงานให้คนอื่นเห็นทำเพื่อโชว์พี่น้องมันามีตู้โชว์ใช่ไหม โชหมอนใช่หรือไม่ใช่หมอนแล้วก็โชถ้วยถัวจานขันลงหินใช่ไหมนั่นแหละระยะ <c oughs> ข้าวตู้โชกันบอกกูแล้วเพื่อมาอวดเนี่ยเ <c oughs> พียง้องอย่าลืมนะไอของที่เก็บเก็บเอาไว้นะั่งไปน้องไม่ได้ใช่เอาเราถามในะวันเก็มันซื้อมาทําอะไรเนี่ยวันเดียวตู้มาส่ ป, ปีมทําอะไรบ้าง <c oughs> นึกนไะปน้องนะ <c oughs> ยอย่าให้มีนะพี่น้องก็เรื่องที่สองนะเรื่องที่สามตะกาบุตรเย่อหยิ่งจองของอวดดีอย่าให้มีในใจเห็นไหมพี่น้องลักษณะของคนตะกาบุตรเนี่ยใครสอนมาไหมใช้ตอนมาสอนมาสอนอย่างงี้ฉันนี่นะดีกว่าคุณฉันนี่ดีกว่าคุณ ใช้ตอนมันมองว่าใช้ตอนเนี่ยสร้างมาจากถูกสร้างมาจากไฟอาดัมถูกสร้างมาจากดินแล้วมันคิดเองมันว่าไฟเนี่ยดีกว่าดินมันฉลาดคิดนะแต่นี่อัลลอฮฺสอนว่าคนจะดีกว่ากันอยู่ที่ไหนอ้าวอยู่ที่ไหนอินนักรอมากรอินเดอรลอยอัตกอกุมคนที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุด อัลลอฮ์รักที่สุดไม่ใช่คนรวยไม่ใช่ไม่ใช่คนจนไม่ใช่มาจากดินไม่ใช่มาจากไฟแต่คนที่หัวใจของเขาตักวาต่ออัลลอฮ์คนที่ต่างหากเลยเป็นคนที่ดีที่สุดพี่น้องหัวใจที่ตักวาอัลลอห์หัวใจที่กลัวอัลลอห์ที่ปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอห์นี่เป็นหัวใจที่ดีที่สุดคนคนนี้เป็นคนที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดมองที่หัวใจจากนั้นเจดข้อ สักฟอกหัวใจให้สะอาดอย่าทำเรื่องเจ็ดข้อหนึ่งสิริสองโออวดสามเย่อหยิงจองหองอวดดีข้อที่4ออีอย่าอิจฉาอย่าอิจฉาผมฟังมาเซรยาซีนคุยกับผมมาเซรยาซีนเนี่ยบอกว่าใครรักพ่อบอกกัลูกนะใครรักพ่อก็ต้องรักสิ่งที่พ่อรักด้วย ใช่ง่ายยังยังยังไม่จะรักพ่อพูดดีผมชอบเลยนะคนที่รักพ่อมันต้องรักของที่พ่อรักด้วยอธิบายได้ไหมยังเอายังยังอย่าอธิบายเราคิดเองไปแล้วกันหนึ่งอย่าให้มีเจ็ดข้อนะข้อที่หนึ่งอย่าแล้วนะอย่ามีชีดข้อที่สองอย่ามีโอ้อวดข้อที่สามอย่ามีเยื่อยิงยะโสโอหังอย่ามีนะ ข้อที่สอย่าอิจฉาคนอย่าสอนลกูกให้อิจฉาคนไปน้องท่านใครที่สอนลกูกให้อิจฉาคนนะเลิกตำบ้าตัวเปลี่ยนเปียนใหม่ท่านขาทุนเอ ง, เองในวันเกียรตินะข้อที่ห้าครับอย่ามีการเกลียดกันและเป็นศัตรูกั น, น อ, อย่าให้มีคําว่าเกลียดกันศัตรูกันไปน้องอย่าให้มีเนี่ยจะถ้ามีเลิกเลยค่อยๆขจัดออกซะวิธีขจัดของโสโปรกที่อยู่ในใจท่านอย่างนี้ไปน้องให้กล่าวสุภานนทลอยเยอะ สุบฮานอัลลอฮฺว่าิฮัมดีฮฺสุบฮานอัลลอฮิลลอฺซมคำแปลมหาบริสุทธิ์ยิ่งเดออัลลอฮการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮฺพอเราชมอัลลอฮว่าอัลลอฮเนี่ยสมบูรณ์อัลลอฮไม่มีข้อตำหนิอัลลอฮเนี่ยบริสุทธิ์สะอาดที่สุดไปน้องพอเรากล่าวคำนี้วันละร้อย2 0 0 0 0 0 2พันอเยอะๆี่น้องครับอัลลอฮฺจะขจัดข้อบกพร่องที่อยู่ในใจเราี้ให้หมดกนละน้อยลน้อยลน้อย ต้องช่วยหัวใจด้วยพี่น้องเอาปากนี่มาช่วยหัวใจโดยการชมอัลลอฮ์สุบฮานอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละสุบฮานอัลลอฮ์สุบฮานอัลลอฮ์สุบฮานอัลลอฮ์อย่าว่าไวสุนัตบลอลลลลลลลลลลลลลาลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลอลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลใลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลนลลลลลลลล ข้อที่สองริยะโอ้อวอดข้อที่สมเ ย, ยียรยิงจองหอมเรืยองวัตกรรมบุตรข้อที่สี่อิฉานิสยาข้อที่ห้าความเกลียดชังกันอย่าให้เกิดขึ้นบ้านจะมีบรรยากาศมากนะถ้าความเกลียดชังไม่มีมิตรสงสารเมตตาให้อภัยพี่น้องเบียบรรยากาศในชีวิตเยอะมากข้อที่หกพีกก่น้องอย่าละโมกอย่าละโมกอย่าเป็นคนก็ได้ว่า อะไรอ่ะอยากได้มากมากไม่แบ่งใครเลยกินกินรวบไม่จะกินแบ่งพยายามกินแบ่งอย่ากินรวบกินคนเดียวได้เงินมาก็กินคนเดียวนบีสอนให้กินแบ่งได้มาให้นึกถึงคนกี่ประเภทนะแปดประเภทสากลนะพี่น้องท่านกินแบ่งอย่าไปกินรวบกินรวบเนี่ยถูกเพื่อนสังคมแอนตี้เกียรหมดพี่น้องท่านแบ่งแบ่งกันผมนึกถึงนั่นอ่ะท่านซะ วันที่ท่านอัลโดร์มานบินเอ้าวจากอพยพจากนคนมักกะไปชินครมดีนะนบีจับเป็นคู่กันพี่น้องท่านซะบอกว่าอัลโดร์มานเอยฉันมีบ้านสองหลังคุณเอาไปหลังหนึ่งฉันมีสวนสองสวนคุณเอาไปสวนหนึ่งฉันมีภรรยาสองคนเอามาเลือกเอาชอบคุณอาฉันจะยาภรรยาจะรับแต่งงานในคุณนี่กินแบงได้กินรวบกินแบง ไอ้ของแบงแบ่งนี่ใช่ไหมอลัลลอฮฺมันเล่าถึงวันนี้พันสี่รอยปีผ่านมาแล้วยังคนยังพูดชมอยู่เลยเ อ, ลอัลลอฮฺให้ไหมให้ให้ให้แต่ถ้านยิ่งให้ยิ่งรวยใครยังมีนิสยัยยิ่งให้ยิ่งบริจาคยิ่งให้เป็นอัอลลอฮฺยิ่งร่วมรวยรวยรวยรวยถ้าตันีกินเหนียวยิ่งจนลงจนลงจนลงมันต่างอะไรกับคนรวยกับคนจนไปน้องไม่ต่างกันหรอกแต่กีนเหนียวน่ะรวยก็ยมีมีปัญหาต่อมาครับข้อที่เจ็ด ตานีขีเนียวออยากให้มีในใจข้อข้อสุดท้ายคือตานีขีเหนียวงกไปน้องไม่เคยช่วยเหลือใครเลยนะถ้ามีเจตประการนี้อยู่ในใจรอความหายานะแต่ถ้าไม่มีในใจเจประการนี้นั่นแหละดาควาลจันนะตายพักเข้าสวรรค์พรวดทันทีไม่ต้องรอสอบสวนเยอะกัหนหน่อยนะครับตกลงว่า วันละีนัุ้่มละจะกาตีฟะอิลูนอลออับัและบรรดาผู้ที่ปฏิบัติเพื่อการชำระหัวใจของเขาให้สะอาดหรือว่าขัดเกลากิเลส ข, ของเขากระปินองตลายอลลออัลลฮบัาดมดูลยเลยตัวหลวงว่าคนที่เป็นมุสลิมจะต้องปฏิบัติทั้งหมดกี่ข้อนะสิบข้อด้กันวันนี้เรียนแค่สี่ข้อข้อที่หนึ่ง นมาข้อที่สองออกห่างเรื่องไายสาระข้อที่สปฏิบัติเพื่อชำระจิตใจขัดเกลาหัวใจให้เขาสะอาดต่ออัลลอสุบฮานาหฺะตอลาพี่น้องเรื่องขัดเกลาเนี่ยเยอะเลยนะกี่ข้อนะเจ็ดขอ้อสรุปชิริกอย่าให้มีในใจโตตะเกียรเคลียไปเลยทำจบไปเลยนะครับริยาโออวดไม่มีโอหังไม่มี อิจฉาไม่มีการเป็นศัตรูกันไม่มีแล้วก็ละโมบงกไม่มีขี้เหนียวตานี่ไม่มีอยู่ในหัวใจถ้าเจ็ดประการนี้ไม่มีอัลฮัมดุลิลละนี่แหละก็จะอัฟลาฮัลมุมินุนคนมุมินประเภทนี้เขาได้รับความเสเวร็จในชีวิตทั้งดุนยาและอาครีดุนยาก็เจ็ดข้อพี่นอ้องเอาล็อแปะเอาไว้ในใจเล็กๆในน้อ ย, อยเอาออกไม่ได้อะ อัลลอไปไน้องไอ้คิไคเนะี่ยถือออกจางเลยนะเสื้อเนี่ยก็ซักจังเลยไ่ไน้องแต่อลลอบแต่เอาไว้นาจัเคลียร์ไม่ได้แต่ไปเคลียร์งานดุลยาได้ยังไงนั้นต้องเคลียร์เรื่องเจ็ดประการนี่เจ็ดประการเราไมา่ได้คิดเองนะกุรอานอธิบายอัลลอฮ์อธิบายผ่ o, า, ยานนาบีมุฮัมมัดสุลตัลมัสลัมเจ็ดประการไปน้องผมเองก็มีนะมีอะไรมีขี้เหนียวก็มี เย่อยิงอวดกม็มีทั้งหมดแล้วพี่น้องจะพยายามนะให้เหลือให้น้อยที่สุดเจ็ดข้อนะข้อที่หนึ่งชิริกข้อที่สองโอ้อวดข้อที่สามโอหังเย่อหยิงข้อที่สี่อิจฉาข้อที่ห้าการเป็นศัตรูกันดีไม่เป็นศัตรูกันไม่ดีเลยอยู่โรงเรียนเดียวกันแบ่งสีอันนี้ปัตตานีอันนี้ยะลาอันนี้กะก็แบ่งทาไมมันต้องรักกันพี่น้องทั้งหลายนะครับข้อที่หกพี่น้องครับ ไลนั้นเราโมกนะครับอยากินอยากินรวมนะยายกินกินแบ่งนะแต่ข้อที่เจก็คือตรมีอย่าให้มีในใจเจ็บปกานี่แหละวันลีนะฮุมลิสจกาติฟ้าอิลูสุบฮานะตะลอฮุมาวะบิฮัมดิกัลลอฮิละฮลาอันตะอัสตะฮุรุกะวะตูบัยคุลมอัลัยุมมะราฮมัตุ ullah วาบารก